กระมาถวะให้ผลในทันทีอาการประชวนของพระองค์สุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสุกุศินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุศินาราราชธานีแห่งมลรกษัต ณใต้ร่มพลึกแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมลรกษัตย์นามว่าปุ ก, กุสะเคยเป็นศิษย์ของอาราลาดาบดกาลามโครเดินทางจากกุสินาราเพื่อไปยังปาวานนครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความลื่อมใสจึงน้อมนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเหมือนทองสิงขี เข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระอนุนผืนหนึ่งแก่พระองค์ผืนหนึ่งพระอนุนได้เห็นว่าผ้านั้นไม่ควรแก่ตนจึงน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีกผืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนุ่งและห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจทานเพลิงที่ปราศจากควันและเปลวพระชวีของพระพุทธองค์เล่า ก็ช่างผุดพองงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดพองยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเปล่งปลั่งมีรัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์มีพระชนมาายุถึงแปสิบแล้ว อยู่ในวัยชระาะเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงพระประชวรหนักมีอาการแห่งผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุฉไหนผิวพรรณของพระองค์จึงผุดพองยิ่งนัก อานุนพระาศาสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้คือคราวจะตัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะนิพพานอีกครั้งหนึ่งผิวพันแห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุจรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงดูก่อนอานุนในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ ตถาคตจะต้องปรินิพานในระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนามีดอกเป็นช่อชั้นตรัสดังนั้นแล้วจึงเสด็จนำพระ อ, อ น, นุ์ไปสู่ฝั่งน้ำกกุฑานทีเสด็จลงสงสวยสำราญตามพระพุทธอัธยาศัสายแล้วเสด็จขึ้นจากกกุฑานทีไปประทับณอัมพวัน รับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรปูล่าสังคาติเป็นสี่ชั้นแล้วบรรทมด้วยสีหะสยยาคือจะแขงขวาเอาพระหัตตรองรับพระเศียรซ้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีพระสติสัชัญญะตั้งพระไยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้า ณนั้นเองความปริวิตตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสุกรามัถวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอานุนว่าอา น, นุนเมื่อเรานิพานแล้วอาจจะมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราปรินิพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดปิปฏิสารเดือดร้อนใจไปเองว่าเพราะเสวยสุกรามัถวะ อันตนถวายแล้วพระตะถาคตจึงนิพพานดูก่อนอานนุนบินทบาททานที่มีอนิสงฆ์มากมีผลภัศสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายก่อนเราจะต่อสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพาน คือการดับกิเลสครั้งหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุรช่างทองแล้วเราก็นิพพานด้วยขันธ า, านิพพานคือดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหหิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้และถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอก็พึงกล่าวปลอบให้เขาคลายวิตกกังวลเรื่องนี้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 แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะและมีภิกษุสงฆ์หมยใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้าแม่น้ำเฮรันยวดีถึงปรุงกุศินาราเสด็จเข้าสาลววโนทยานคืออุทยานซึ่งสับพร่งพรางด้วยต้นสาละรับสั่งให้พระอานนท์จัดแท่นบรรทมระหว่างต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากัน ให้หันพระเสียนทางทิศอุดอรครั้งนั้นมีบุคคลเป็นอันมากจากทิศ ต, ต่างๆเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระเป็นปัชิมมกาลแผ่เป็นปริมนทนกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงตรัสกับพระอนุลเป็นเชิงปรารพว่าอานุ์ พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทำสการะบูชาเราอยู่ด้วยเครื่องบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอามิสเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันยิ่งไม่อ น, นุเอยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมผู้นั้นแหลชื่อว่าสการะบูชาเราด้วยการบูชาอันยอดเยี่ยม พระอน์ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากที่สานุทิตเพื่อเฝ้าพระองค์ฝังโอวาจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะปรินิพานเสียแล้วภิกษุทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอ น, นุสถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่ คือสถานที่ที่เราประสูติแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคืออิสิปตนะมิขทายะแขวงเมืองพราราณสีสถานที่ที่เราตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐทํากิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตําบลอุรุเวลาเสนานิคม และสถานที่ที่เราจะนิพพานณบัตดนี้คือป่าไม้สาละณนะ น, นครกุสินาราอานนนเอยสถานที่ถึงสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามร้อยบาทแห่งเรา ถาแต่พระผู้มีพระภาคในพรหมจรรย์ น, นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรายบ้างพิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานนท์การที่พิกษุจะไม่ดูไม่ แ, แลสตรีเพศเสียเลยนั้นเป็นการดี ถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าข่าพระอนุทูลสักถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั้นเป็นการดีพระาศาสดาต ร, าต ร, าตรัสตอบถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข่าจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดี สำรวมอินทรีย์และกายวาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นเป็นมนทินของพรหมจรรย์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกี่ยวเกาะเล่าพระเจ้าข่าจะเป็นมนทินของพรหมจรรย์หรือไม่ไม่เป็นสิอานนท์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 พระผู้มีพระภาคบรรทมสงบนิ่งพระอานนุ์ก็พรอยนิ่งตามไปด้วยดูเหมือนท่านจะตึกตรองทบทวนพระพุทธวจนะที่ตรัสจบลงสักครู่นี้จริงทีเดียวการไม่ยอมดูไม่ยอมแลสตรีเสียเลยนั้นเป็นการดีมากแต่ใครเล่าจะทำได้อย่างนั้นผู้ใดมีใจไม่หวั่นไหวด้วยความเบ่งบานของดอกไม้งาม ดนตรีและอาการเยื่อกรายแห่งสตรีสาวผู้นั้นถ้าไม่ใช่นักพรตก็เป็นสัตว์ดิรัชชันแต่ดูเหมือนผู้เป็นนักพรตทั้งกายและใจนั้นมีน้อยเหลือเกินเมื่อมีเรื่องที่จําเป็นต้องดูต้องแลเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องก็เกิดขึ้นการติดต่อเกี่ยวข้องและคลุกคลีด้วยสตรีเพศนั้นใครเล่าจะหักห้ามใจไม่ให้วันไหวไปตามความอ่อนช้อย นิ่มนวลและอ่อนหวานของเธอมีคำกล่าวไว้ไม่ใช่หรือว่าความงามนั้นเป็นอำนาจที่คุกคามจิตใจของปุถุชนให้แพ้ราบและการยิ้มนั้นคือคมดาบของเธอเมื่อใดพบความงามถ้าความงามนั้นยังไม่ยิม้มก็ยังมีทางจะรอดพ้นไปได้แต่เมื่อความงามนั้นยิ้มออกมาย่อมหมายถึงเธอส่งคมดาบออกมาแล้ว และยังมีคำกล่าวอีกว่าเมื่อสตรีงามยิ้มย่อมหมายถึงถุงเงินของผู้ชายร้องไห้ทำไมนะสัตว์โลกจึงหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสเสียจริงๆสตรีที่พราวสเสน่ห์แต่ไร้มโนธรรมจิตใจสกปรกจึงเป็นเพชฌฆาตมือนุ่มซึ่งมียิม้มและกิริยาที่ยียวนเป็นคมดาบ มีน้ำตาเป็นหลุมพรางสำหรับให้ชายตกลงไปในหลุมน้ำตานั้นบางทีเธอจะมีความสุขร่าเริงเหมือนลกน้อยในขณะที่หัวใจของชายที่เธอเคยปองร้าวสลายลงด้วยความผิดหวังบางทีเธอจะทําเป็นโกรธชายที่เธอแสนจะหลงรักเพียงเพื่อพรางสายตาของคนอื่นบางทีเธอจะยิ้มอย่างอ่อนหวาน ในขณะที่ในความรู้สึกของเธอแสนจะเครียดแค้นและชิงชังเขาและบางทีเธอจะร้องไห้น้ำตาอาบแก้มในขณะที่ใจของเธออิ่มเอิบไปด้วยปิติปราโมทจะเอาอะไรเล่ามาวัดความลึกแ ห, ห่งหัวใจของสตรีพระศาสดาตรัสไว้มิใช่หรืออาการของสตรีนั้นรู้ยากเข้าใจยาก เหมือนการไปของปลาในน้ําปราดผู้ทรงวิทยาคุณกว้างขวางลึกซึ้งสามารถยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรเหมือนมองเศษกระดาษบนฝ่ามือแต่ปราชดเช่นนั้นจะกล้าอวดอ้างได้หรือว่าตนสามารถยังรู้ความลึกล้าในหัวใจของสตรีอย่ามัวกล่าวอะไรให้มากเลยธรรมชาติของเธอเป็นอย่างนั้นเอง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 ความเงียบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอานุ์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสรรระอย่างไรอย่าเลยอานุ์พระาศาสดาทรงห้ามเธออย่ากังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มครองตนด้วยดี จงพยายามทำความเพียรเผาบาปให้เร่าร้อนอยู่ทุกอรียบบทเถิดสำหรับเรื่องสเรระของเราเป็นหน้าที่ของขรืหัสที่จะพึงทำกันประสัตพรามและขหบดีเป็นจำนวนมากที่เลื่อมใสตถาคตก็มีอยู่ไม่น้อยเขาคงทำกันเองเรียบร้อยพระเจ้าค่าพระอนนทูล เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของขรุขระก็จริงอยู่แต่ถ้าเขาถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกอย่างไรอานุนชนทั้งหลายเมื่อจะปฏิบัติต่อพระสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อสรีระแห่งตถาคตอย่างนั้นเถิดทำอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าอานุนคืออย่างนี้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 แห่งพระเจ้าจากักรพรรดนั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้นทางสีแพร่งในสรีระแห่งตถาคตก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจักได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานแ ล, แล้วแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงถูปปาร ะ, ะบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอธิธาตไว ในพระสถูปเพื่อเป็นที่สการะบูชาของมหาชนไว้สีจำพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเ จ, พพเจ้าพระอรหันตสาวกและพระเจ้าจากักรพรรดิ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 ท่านสึกสอื่นจนสั่นเทิมไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองมนที่คลุมกายสั่นน้อยๆตำแรงสั่นเห็นรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเหวอย่างยิ่งเป็นเวลา น, านานเหลือเกินที่ท่านและพระาศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาค จึงเป็นเสมือนกระชากดวงใจของท่านให้หลุดลอยโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงคว ร, ครวนเค้าออกมากับเสียงสือื่นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุดห่วงมหนันพมาดวนจากข้าพระองค์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 เมื่อพระอานนท์หายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์หายไปไหนไปยืนร้องไห้อยู่ที่ประตูพระวิหารพระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายทูลไปตามอานนท์มานี่เถิดพระศาสดาตรัสพระอนนท์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ำตา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 จะพึงปัดกวาเสนาสนะที่หลับที่นอนเพื่อผู้ใดอันหนึ่งเวลานี้ข่าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่พระองค์มาด่วนปรินิพานใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของข่าพระองค์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์กาจัดกิเลสให้หมดสิน้นข้าพระองค์คงอยู่ยังว้าเวและเดียวดายเมื่อคำหนึ่งอย่างนี้แล้วก็สุดจะ หักห้ามความโศกาสดได้อานนเธอเป็นผู้มีบารมีธรรมได้สังสมมาแล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทาไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทา แกตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถิดเพื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในไม่ช้าตรัส ด, ดังนี้แล้วจึงเรียกพิสุทั้งหลายเข้ามาสู่ที่ใกล้ แล้วทรงสรรเสริญพระานนท์โดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รอบรู้และอุปถากราอย่างยอดเยี่ยมพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งมีภิกษุผู้อุปถากรนั้นๆก็ไม่ดีเกินไปกว่าานนท์านนท์เป็นผู้ดำเนินกิจ ด, ด้วยปัญญา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 เมื่อฟังก็มีจิตใจเพลิดเพลินยินดีในธรรมที่อนนท์แสดงไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมวารีรสภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบุคคลที่หาได้ยากผู้หนึ่ง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 ไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชคลืสาวัสถีจำปาสาเกตโกสัมพีพาราณสีเป็นต้นเถิดพระเจ้าค่าในมหานครเหล่านี้กระสัพรามเศรษฐีขหบดี และทวยนครทุกชั้นที่เลื่อมสายพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ท ร, ร ม, มหาสการะแดสรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรในโลกอานุนเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้น แต่เกียติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานนท์เอยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 กุศินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุศินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคัง่งมีคนมากมีมนุษย์นิกรกลื่อนกลนพรั่งพร้อมด้วยทัญญาหารมีโรมนียสถานที่บันเทิงจิต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 ด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราธิบดีในปฏทภีมณฑนทรงชำนะปัจจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและศ ส, สตราชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากลิ่มสลัก เป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิราชอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอาน n o ์เอยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอาน n o ์จงดูเถิดพระเจ้าจากักรพรรด มหาสุทธสนะก็สิ้นพระชนไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดแล้วนี่แลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะนิพพานในไม่ช้านี้ แล้วพระาศาสดาก็รับสั่งให้พระอนุ์ไปแจ้งข่าวปรินิพานแก่มรรกษัตริ์ว่าพระตถาคตเจ้าจากปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมรรกษัตริ์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกรมสดโซกาดูนทุกโทมนัสทัพทวีสยายพระเดชายกพระพาหาทั้งสองขึ้น แล้วคร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกระหนึ่งบุคคลที่เท้าขาดพร่ำไรรำพันถึงพระโรคกนาตว่าพระโรคกนาตดวงปรินิพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุษสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับบูบลงด้วยอาการโศกาดูนดังนี้มลกษัตร์ตามพระ อ, อนุนไปเฝ้าพระา ศ, าาศาสดาณสาละวโนทยาน พระอ น, นุ์จัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลตระกูลไปแล้วกลับสู่สันทาคารคืนนั้นมรรกษัตย์ประชุมกันอยู่จนสว่างมิได้บรรทมเลย